เห็ที่ไหนเลยจึงเห็นว่าู้เจ้าประเสริฐไม่มีใครสามารถรู้ได้อย่างนี้เดเลยนะทะรีูกชียวออนีู้ดเชียม่อไม่าอยู่วันพอนาอยู่ในห้องมีเย็นเลยอยู่ในห้องทั้งวันหนังตอนายนอนตอนนน ฝนไม่ฝนตกทัวันเย็ยนทั้งวันวันนี้ก็เย็นทั้งวันมาอยู่ข้างนอกมันร้อนต่างหากทาไมร้อ น, นอยู่ข้างในก็สบายอยู่คนเดียวมันทำบายนี่มีอะไรยุ่งอยูทั้งวันทั้งคืนก็ทำบายอย่อารมณ์ไม่ได้เกี่ยวกับใครคนมายุ่งซะอีกวุ่นยันกำน้าถูกกวน มันไม่ขุนมันไม่มีตะกรันมันก็เป็นฟอร์ม็นได้ไไไดเนี่ยอะไรแล้หนึ่ง จิตเป็นตัวยืนรงในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นหลักความจริงร้อยเปอร์เซ็นตโดยอาศัยเชื้อเพื่อเพาะให้เกิดที่นั่นเพาะให้เกิดที่นี่ตามหลักธรรมธรรมอวิชาปฏิยาสัางขารา อยู่ตรงนั้นแหละแตกแขนียงออกไปจากนั้นท่านเรียงลําดับําดาไปผู้ที่จะปฏิบัติเรียงลําดับําดาไปดังท่านนั้น <c oughs> เหลวทั้งไผเหมือนตัดต้นไม้จะโคนต้นไม้นั้นให้ตายเราจะไปจะตัดใบนั่นตัดใบนี้กิ่งนั่นก้านนี่สิบปีก็ไม่ล้มไม้ต้น คนเขาไปลากปล่อยลากแก้วของมันถอนพวดขึ้นมาตรงนั้นมันตายไปหมดวิชาตัวเดียวตรงนั้นแนบ ส, สนิทกับจิตทำให้ใช้ทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรก็ไม่ พบความจริงของมันที่เป็นต้นเหตุพาให้เกิดและพาไมา่ให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงค้นอยู่ถึงหปีโดยไม่มีใครสั่งสอนเลยความลำบากลำบนถึงนมีมากสำหรับพระองค์เองพวกเราทั้งหลาย มีครูมีอาจารย์มีตำหักตำลาแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเพียงจะพยายามปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ถูกต้องเนียงามอันเป็นการถอดถอนกิเลสไปด้วยข้อปฏิบัตินั้นก็ยังทำไม่ได้จะเรียกว่าเราเหลวไหลขนาดไหนหลักใหญ่อยู่กับความมุ่งมั่นเป็นสาคัญแห่งการปฏิบัติ ความมุ่งมั่นมีมากความมุสาพยายามเข้ามาตามกันจากนั้นครูอาจารย์ก็เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมในอุบายวิธีการต่างๆเนเวลาปฏิบัติหากเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างใดตนเองไม่เข้าใจเพราะทางไม่เคยเดิน แล้วก็ถามครูถามอาจารย์หรือเวลาท่านแสดงทำไปก็ไปสัมผัสกับความรู้ของเราความเป็นของเราเข้าก็เข้าใจไปในขณะที่ฟังเทศน์ น, นั้นๆนี่เป็นความสะดวกมากถ้าเทียบพระพุทธเจา้ากับพวกเราแล้วทั้งพุทธการท่านบรรลุธรรมจานวนมากมาย ก่นกาวไว้ในบุคคลสี่ประเภทมันเป็นประเภทอุคติตันดูวิปปิตันดูวทีสามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเนีย่ยรองลำดับกันลงมาจากนั้นมาก็เป็นเนยะพอลากพอจูงกันไปได้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านไปได้ส่วนปะทะประมะนั่นรู้สึกจะ มารวมอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้มากแล้วเวูานี้พูดตัเรื่องศีลเรื่องธรรมูร้สิต จ, จะแสลงหูจะแสลงใจเป็นลักษณะผู้ฟังทั้งหลายนั่นมักจะเป็นเรื่องหมั่นใส้อันเป็นเรื่องที่เลสล้นรวน ขึ้นมาเยาะเยะ้ยธรรมของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นของประเสริฐเพราะตัวต่ำช้าเร็วซามถึงขนาดโดยธรรมะได้แล้วก็เรียกว่าเร็วที่สุดละมนุษย์เราเพราะธรรมะนี้ทำให้เป็นทำคนให้เป็นคนดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศมาแต่การไหนไหน ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสื่อเสียละชิหายวายป่วงไปแม้แต่น้อยเลยนอกจากเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้เป็นคนดีโดยลำดับไม่ว่าเพศใดวัยใดเท่านั้นยึงไม่หาทางต้องติไม่ได้บรรดาธรรมทั้งหลาย คำที่ว่าศาสนาเสื่อมก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์เสื่อมทรามลงไปจากอัตจากรธรรมไม่เคารพยำเกรงไม่เชื่อถือในความจริงทั้งหลายซึ่มีอยู่ประจำโลกกฐานนี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานตรงนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับจัดกับบุคคลกับโลกกฐานนี้แต่ เมื่ออวัยวะที่สำคัญซึ่งใจรับทราบกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหมวกมันบอดไปเสียแปรทิศแปรด้านแล้วจึงกลายเป็นปัทะปรัมะหาความรู้หาความจริไม่เจอสำหรับใจดวงนั้นท่านจึงเรียกว่าปัทะปรัมะ คือมืดแปดทิศแปดด้านทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิยาบที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความมืดบอดเพราะอำนาจของกิเลสปัญหาสวมันครอบํำปัญหาทางไปไม่ได้เนื้อหาทางไปไม่ได้แล้วก็มีแต่หาทางทำลายตนเองไปโดยลาดับด้วยความรู้ความเห็นด้วยวาทะ กิริยาต่างๆที่แสดงออกให้ขัดต่ออัดต่อทำซึ่งเป็นการลบล้างทำลายธรรมอันเป็นการลบล้างและทำลายตนเองโดยไม่รู้สึกตัวมีโลกกำลังหมุนเข้ามาในจุดนี้เวลานี้นั้นเราก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกนี้ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ของดีเป็นดูกับกิดดวงใดจิตดวงนั้นก็เหมือนกับว่า คนกำไคกำลังจะตายจะเอาเข้าหีบข้าลงอยู่แล้วทำมาเป็นกับเราจะเป็นยังไงโรคประเภทนั้นไม่ใช่ของดีโรคที่ควรจะหายด้วยยาโรคที่พร้อมที่จะหายด้วยยาก็มีอยู่เราจะ จ, จัดเข้าในโรคประเภทไหน ยาคือธรรมโอสถของบํบเาเพ็ญเจ้าก็มีหมอคือผู้นำยามาแนะนำฝังสอนไม่แต่ผู้แาาก้อารก็ยังมีเราเชื่อกิเลตตัญหาก็เชื่อมาเป็นเวล า, านานได้รับผลประโยชน์อย่างใดหรือไม่ควรจะบวกลบคูณหารกันระหว่างยิเลต ก, กับธรรมซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวของเหล่านี้ด้วยดีแล้วรีบเร่งควนควาย ไปในแนวที่ตนเห็นว่าถูกต้องแม่นําแล้วด้วยความอุตสาหพยายามมีเป็นหนักที่ถูกต้องอเรียกว่าเป็นนัยยะเป็นผู้พอฉุดพอรากไปได้าใใอาศัยอุบายคำต่าสอนักครูวอาจารย์คนนักแนะนําตักเตือนเจ้าของก็จุดก็รากเจ้าของด้วยความภาคเพมิใจากอุบายที่ได้รับการอบรมมาแล้วจากครูจากอาจารย์ นิเรศยอมจะไฟเหยียดเหยือแท้งไปโดยลำดับผู้นั้นก็จะมีสง่าราศีขึ้นภายในจิตใจเนี่ยหลักของการปฏิบัติศาสนาสำคัญอยู่ที่ใจถ้าลงได้มืดบอดแล้วไม่ยอมสัมผัสสัมพันธ์ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะเปิดทางรับความมืดบอดให้หนักเข้าไปทำลายดวงโดยลำดับจนแหลกเล้วไปเลย เพราะนั้นไม่มีความดีใดๆแม่น้อยที่จะแทรกเข้าไปถึงจิตใจตรงนั้นได้อันจะเรียกว่าปทะประมะถ้าเป็นโรคก็ประเภทที่เข้าห้อง ICU ียูคอยแตล่ลมหายใจอยู่เท่านั้นแต่เตรียมหีเตรียมโล่งกอดเตรียมได้แล้วยังไงก็ไปไม่รอดนี่คนประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่สักร้อยปีพันปีมันก็เป็นประเภท ICU ียูหามดีจะ สุนทราเขาภายใน จ, ใจิตใจพอจะเป็นสาระพยุน จ, จิตใจเพื่อสืบต่อพบอันดีงามในการข้างหน้าไม่มีเลยมีแต่ความหยากย่ำทำลายตนให้ล่มจมลงไปสู่ความทุกข์ความลำบากความทรมานทิบหายผล ป, ปีไม่มีชิ้นดีตลอดไปสาหรับจิตดวงนั้นเพระนาะฉะนั้นการที่จะรื้อฟื้นตนเองให้ขึ้นจากลม ซึ่งก็มีอยู่แล้วภายใจิตใจแม้จะไม่ถึงขั้นประเภทที่พาเราให้เราให้ล่มจมก็าตามแต่ไม่ใช่ของดีแลวฉุดลากตนขึ้นจากหล่มลึกเหล่านี้ให้โผล่ตัวขึ้นมาสู่อัดสุธรรมให้เคารพคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความจริงใจภายในใจทำอะไรให้มีความจริงใจใมีความจดจ่อมีสติมีปัญญา คอยสอดจดมองดูควบคุมงานของตนที่ทำงานอะไรก็ตามเราได้เคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วไม่มีงานใดที่จะถึงฟ้าดินถลงมเหมือนกับงานฆ่ากิเลสรบกับกิเลสนี้เป็นงานที่หนักหนามากทีเดียวพระพุทธเจ้าไม่อจะจะรู้กับตาขุว่าโลกธาตุไหวจะว่ายังไงล่ำลือ ม, มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะ งานชิ้นเอกของโองสมเด็จดูล่วงลงไปพิเด็จหมอบราบไม่มีพิเด็จประเภทใดเหลืออยู่ภายในประเทศไทยแล้วก็สแสดงความอัศจรรย์ขึ้นในใตรโล ก, กถานดังธรรมจักรกับวัฒนจุด ท, ท่านสแสดงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความเคลื่อนไหวของเรา ให้เป็นอาการแห่งนักต่อสู้อยู่เสมออย่าให้เป็นความท้อแท้อ่อนแอคิดสงสัยหรือยังเละไปต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลหลอกเราทั้งหมดความจริงก็คือท ร, ร ม, มีอยู่แล้วศาสนาธรรมคำสอนฝ่ายเหตุที่ชีจที่ชี้ช่องบอกทางเราก็มีอยู่แล้ว ผลที่กระพื้งได้รับเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งมุดหลุดพ้นท่านก็แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องในหลักแห่งสุขาตาธรรมไม่เคลื่อนคลาดไปจากนี้เลยเราผู้ปฏิบัติเหมือนกับว่าล้างมือเปิดเท่านั้นก็ยังจะถือลำบากลำบนแล้วเราจะมีทางได้มรรคผลนผิพพานที่ไหนเป็นไปไม่ได้เลื่อนออก ทาใดาก็มีแต่ท่าที่เหลือดุมล้อมมีแต่ทาที่เหลือบังคับปัญชาเหมือนผู้ต้องหาไม่มีทำมีสติปัญญาเป็นต้นตามคุ้มครองเลยนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนที่หมดคุณค่าพระที่หมดราคาเกินไปไม่สมควรแก่ฐานะของเราเพศของเราที่เป็นนักบวชนี่เลยจึงขอให้พากัพิจารณาให้มากการแนะนําสั่งสอนทุกแง่ทุกมุม ด้วยมาตั้งแต่เริ่มรับหมู่เพื่อนผมได้ทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกด้านทุกมุมไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งตนทั้งตายแสาแดงอย่างเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มทำเต็มทัศิ์ีกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าเปิดเผยเต็มที่ไม่มีการปิดบังลิรับแม้แต่น้อยไว้เลยกรุณาเห็นใจผู้อบรมสั่งสอนด้วยใจจริง ใจจดจอ่อกับหมู่เพื่อนไม่อยากจะให้ถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาด้วยกิเลสประเภทต่างๆซึ่งพอที่จะดิ้นให้หลุดให้หลุดไปได้เอาตัวรอดไปได้ด้วยขอปฏิบัติมันก็จริงไม่อยากให้นอนใจการทำอะไรขอมีสติสตินี้เป็นสําคัญมากทีเดียวในวงงานทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในขาสติแล้ว แสดงความผิดพลาดขึ้นมามากน้อยตามความขาดสตินั่นแหละ <c oughs> ปัญญาคือความละเอียดถูกขุมที่จะรอบขอบในงานของตนทั้งภายนอกภ า, ายในทั้งสองอย่างนี้ควรนาํามาใช้อยู่เสมออย่าได้ปล่อยวางและอย่าถือว่าไม่สําคัญงานชิ้นเอกจะลุล่วงไปได้จะพ้นจากสติปัญญานี้ซึ่งได้รับการอบรม ให้มีกำลังขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นมห า, าส ต, ารราาติหาปัญญาฟาดฟันหันแหลกยิ่เล็ดอย่างละเอียดให้มุดมอดไปจากจิตใจโดยไม่เหลือก็คือสติปัญญาประเภทเหล่านี้แหละไม่ใช่มาจากที่ไหนเพราะจงเห็นสำคัญเรื่องสติปัญญาเราได้ปฏิบัติมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถจรึงไม่มองเห็นอันใด ทำใดที่จะยิ่งไปกว่าสติปัญญามันสติปัญญาบันดาทำฝ่ายเหตุเป็นเครื่องแก่ความเพียรเป็นเครื่องสนับส น, นุนอดต้องอดต้องผลเพศนี้เป็นเพศที่อดทนพระพุทธเจ้าพาอดพาทนมาแล้วจนได้ผลเพียงก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าจนได้ผลมาแล้วเช่นเดียวกันคำว่าสังฆสันสนกักฉามีของพวกเราก็ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนที่ล้างมือเปิด นี่แต่แทบล้มแทบตายมาด้วยกันทั้งนั้นนั่นหละการฆ่ากิเลสจริงเป็นสิ่งที่ฆ่ายากเหนียวแน่นเหมือนหนึง่งนิทานจะเป็นปรมปรากก็ตามว่าฆ่ายักนี้มันงฆ่ายากนะเพราะว่ายักก็หมายถึงปาปธรรมนั่นเองพวกกิเลสจมานี้เอ ง, เอง การฆ่าก็หมายถึงฝ่ายธรมเครื่องมือความเพียรออกไปจากธรรมระหว่างธรรมกับวิเลสนั้นเป็นฆาศึกกันมาแต่การนไหนผู้ต่อสู้กับวิเลสจึงเหมือนกันกันกบโรกรคกับยักษ์ยักษ์กินคนกินทั้งโลกกรถางนี่แหละยืนลงไปแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดรังคับ โรคให้โกรธให้หลงให้เป็นไปในแง่ต่างๆไม่น่าดูแบบจตเดียช้ามันก็พาให้เป็นมันมีอยู่ทุกหัวใจของสัตว์เรื่องยากตัวนี้เพราะฉะนั้นเราที่รู้ภาษีภาษากับเรื่องวิเลศประเภทเหล่านี้พอสมควรแล้วจึงไม่ควรที่จะให้มันมานอนขับกบล่อมบำรุงบำเรอยู่ภายในจิตใจอย่างเพลิดเพลิน ต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยาได้ลดละเราจะเห็นแดนแห่งความพุนทุกไปโดยลำดับนับแต่ความสงาาพพ่าผ่าเผยองอาจกระหันของจิตความผ่องใสไปเป็นลำดับลำดาเพลี่ยนสภาพไปตามภูมิอัดภูมิธรรมเพราะเหล่านี้เป็นอาการจนกระทั่งถึงนิ้มูดหลุดพ้นจึงหาความเปลี่ยนแปลงใดอีกไม่ได้มันใอาการของจิตไม่มีใน วิมุตติกิจนั้นอาการก็เป็นแต่าอาการของขันเฉยๆอาการที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีเศร้ามีใสมีเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกนั้นไม่มีเมื่อถึงขั้นจิตที่เต็มภูมิของติดรวนรุนแล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้ําโดยหลักธรรมชาติของน้ํานี่ไม่มีสีมอง ด, ดูไม่มี หากจะทราบว่าสีแดงสีขาวสีอะไรก็ตามต้องพาดพิงกับสิ่งต่างๆเช่นพาดพิงกับใบไม้ ก, ก็กลายเป็นสีเขียวพาดพิงกับสิ่งขาวก็กลายเป็นขาวเช่นรถเทรถชนอย่ายนแก้วแก้วเป็นประเภทใดสีใดน้ํำก็กลายเป็นสีนั้นขึ้นมาในจิต ท, ที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจึงจึงไม่ปรากฏสีสันวัตนานะใดๆทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์พูดไม่ถูก แต่รู้อยู่อย่างจังๆภายในจิตใจหาสงสัยไม่ได้ก็คือจิตที่เบิสุดนั่นแหละการสู้กับกิเลสให้พึงพากันทราบเอาไว้เสมออย่าต่อสู้ด้วยความราอถอยอ่อนแอไม่ใช่ทางที่จะชนะกิเลสได้ต้องห้ามหันกันเข้าไปอย่าสงสัยว่าโลกนี้ในสถานที่ใดสิ่งใดที่จะพาให้มีความสุขความเกลื่สิ่งใดที่จะพาให้เราเลิศ แต่ประเสริฐมีความสุขความสบายิอีงถาวรมีแต่เรื่องอนิจจงทุกข์งอนัตตาเต็มตัวของมันเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็กลายเป็นตัวอนิจจงทุกข์งอนัตตาพัวพันไปกับสิ่ง น, นั้นจึงดนแล้วตั้งแต่เป็นการสังสมทุกข์ขึ้นมาแก่ตนทั้งนั้นแม้สิ่งนั้นเขาจะเป็นอนิจจงทุกข์งอนัตตาตามสภาพของเขาเขาก็ได้รับ ผลคือความทุกข์ความทรมานเหมือนอ น, นิจจังทุกขังอัตตาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญจึง <c oughs> พากันกำจัดภายในจิตใจเอาให้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกทแท้ไม่มีใครเทียมสองแล้วในโลกอัตรินี้ธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมที่เต็มอัดเต็มทำเต็นภูมิเต็มฐานตั้งแต่ตนจนอวสานถูงสุดคือวิมุตฺถานิพาน ไม่มีใครเสมอนี่แหละเป็นจุดที่จะให้ความสมหวังแก่พวกเราคือจุดนี้นอกนั้นเราไม่ได้ประมาทเราพูดตามหลักความจริงของธรรมมหาที่เกาะอิยุดไม่ได้มีแต่สิ่งที่จะพังทลายไปด้วยกันทั้งนั้นภูเขาทั้งลูกก็เป็นนิจจังทุกขังละอนัตตาจะไม่พังทลายได้อย่างไรดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ว่าอันใด อยู่ในต้อำนาจของจังทุกขังราตาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและทางทลายแต่ได้เช่นเดียวกันหมดหาที่เกาะที่ยึดพอเป็นที่ไว้วางใจมีความลุ่มเย็นภายนจิตใจไม่ได้ชัว่วจีรังท้าววรอะไรเลยเหมือนธรรมแต่ธรรมนี้เวลานี้มีกิเลสเป็นเจ้าของภายในจิตใจดวงเดียวนี้ซึ่งจะเป็นธรรมทั้งดวงก็คือจิตดวงนี้ เวลานี้มีแต่กิเลสมันครอบเป็นเจ้าของไว้รอบด้านพอจะเดินจงกรมนี่มันก็ถูกมันตเตะออกจากทางจงกรมจะนั่งสมาธิก็ถูกมันเตะลงไปใส่หมอนจะอยู่ในท่าใดก็ถูกมันเตะให้เถล อ, อให้ทะเลถลายไปเยอะจนได้ร่วนแล้วตัแต่กิเลสมันฉุดมันลาบออกไปให้คิดให้อ่านไปในทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมนี่ให้เราทราบว่ากิเลสมันแหลมคมอย่างนี้ถ้าไม่ ทราบแง่ของกิเลสเหล่านี้แล้วเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อมันกำจัดมันไปได้ด้วยความมีสติระมัดระวังของเรานี่แหละคืออุบายวิธีการอันหนึ่งที่จะทราบปัมายาของกิเลสและปัญญาที่จะสอดสองมองทะลุเรื่องกิเลสซึ่งมีพยูาจิตใจ <c oughs> ราคาเกิดขึ้นมันทำให้คนดิ้นรนกวายกนกระวา ย, ววายสายัตว์ตัวอะไรก็ตามเมื่อราคากาเริด มันดิ้นรนโกรธคุยกวัดแก่อยู่ไม่ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งเพศหญิงเพศชายมนุษย์และสัตว์เป็นเหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆเช่นอย่างเราหลับสนิทราคะก็ไม่มีก็ไม่แสดงตัวโทสะก็ไม่แสดงตัวความโลภ ก, ก็ไม่แสดงตัวโมหะก็ไม่แสดงตัวเวลานั้นสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเต็มที่ก็คือเวลาหลับสนิทเท่านั้น นอกจากนั้นหาความสุขไม่ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เองออกเพ่นท่านทํางานของตัวเองเราเห็นอย่างนี้ถ้ายังมองไม่เห็นที่ไหนให้เอาเวลาหลับสนิทมาเทียบกับเวลาตื่นขึ้นมานี้ยตื่นขึ้นมามีแต่กิเลสมันฉุดมันลากดีมันก็พอใจชั่วมันก็พอใจอะไรไล่มันพอใจมันติดไปหมดเพราะกิเลสพาให้ติดตัวเราเองไม่อยากติดไม่อยากพอใจแต่เช่นอย่างเขาร้องไห้มันยังพอใจร้องไห้ ความร้องไห้เป็นของดีหรือความทุกข์เป็นของดีหรือทําไมมันทุกข์แล้วมันพอใจนั่นที่มาดิมันแหลมคมขนาดไหนที่เด็ดมาเห็นตัวของมันแหะเห็นแต่หุนที่มันเชิดออกมาอเป็นกิริยาท่าทางต่างๆสแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงออกมาด้วยอํานาจของกิเลสที่มันอยู่ฉากหลังให้เห็นตัวแหละเห็นแต่ความหยาบโลนของปุณนั้นแหล ะ, สะแสดงอย่างนั้นนี่ นี่มันแหลมคมเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความเพียรพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราสละชีวิตแล้วเพื่อาศาสนธรรมซึ่งจะย้ำยังตนให้พ้นจากทุกข์ไม่มีการล่มจมการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าจะวิธีการใดอีเดียบทใดเป็นสิ่งที่จะปลดเปื้องที่เด็ดอาสวัตทั้งนั้นถ้าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะไม่เป็นอย่างอื่น เนี่ยที่กล่าวว่ายักษ์ต่อสู้กันที่ตันว่าไว้ในนิทานยักษ์จะเป็นประรัประหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็าตามให้เราคุณเทียบก็ว่าระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสต้องมีเล่ห์เหลี่ยมแหลมคมมากถ้าเราเป็นฝ่ายธรรม หากเครื่องมือไม่เพียงพอมันต้องแพ้มันจนได้แพ้มันจนได้มันฆ่าเอาตายตายจากเพศตายจากมรรคผลนิพพานตายจากความมุ่งมั่นของตนที่จะพึงได้พึงถึงตายหลายประเภทเพราะสู้ที่เดไมาได้ถูกมันปมบ่าป่าปรามเอาเรียบไปเลยราบไปเลยนี่เราไม่ต้องการอย่างนั้นจึงต้องตั้งหน้าต่างตาต่อสู้กับทีเดชซึ่งเป็น ผู้ก่อความทุกไว้ภายในจิตใจของเราไม่มีการบกพร่องมีอยู่ตลอดเวลาเรื่องความทุกข์ของใจเมื่อสมุทัยยังมีอยู่ภายในใจแล้วจะต้องติดอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยละเอียดขนาดไหนมันก็ผิดของมันขึ้นมาในเรื่องความทุกข์ที่จะเป็นเงาตามตัวแยกไม่ออกด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่ต้องแก้ไขยแยกแยะห้าตัวเหตุคือสมุทยัยคำว่ากามตัณหากามก็คือความใคร่ความชอบใจ ชอบใจสิ่งใดมันก็เป็นเรียกว่าการมะกรมะแปลว่าความใคร่ความชอบใจวัตถุสิ่งของเงินทองนามธรรมาก็ตามรูปธรรมก็ตามมันเป็นเรื่องการมกิะดิเตทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวนที่เราจะต้องแก้ไขถอดถอนด้วยอุบายวิธีการของเราอันแยกขายเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกิเลส นั่งภาวนาก็ให้มีสติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่เฉพาะหน้าที่ของตนอย่าเอาเรื่องสิจใ ด, ดการใดเข้าไปกังวลภา น, นจิตใจขนาดนั้นทาหน้าที่ในวงปัจจุบันอย่าไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะเป็นขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้คาดไปก็เสียเวลาเรียกว่าพราดจากงานนั่นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดเดินจงกรมก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมของตน นั่งก็ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมเช่นกําหนดพุดโทโธก็ให้รู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธเรามีงานอันเดียวนี้เท่านั้นไม่มีงานอื่นใดที่เราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายนอกจากงานความเพียรนี้เพื่อแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีงานอื่นใดที่พอจะพึ่งเป็น พ, พึ่งตายได้มีงานนี้เท่านั้นเอาตรงนี้อยู่ไหนให้มีสติ ที่จะตั้งรากตั้งฐานความสงบเบื้องต้นนี้ลําบากอยู่มากพอสมควรถ้าได้พื้นฐานนี้แล้วก็เหมือนกับเราค้าขายมีกําไรมีต้นทุนแล้วก็พอบึกพอบืนพอถูถายกันไปได้ไอ้สําคัญที่ค้าขายไม่มีทุนนี่สิมันลําบากพยายามให้มีต้นทุนจิตเป็นสิ่งที่อบลมให้หายพยศได้โดยลําดับ ตามปกติของจิตมีความพุ่งสารางนำคาญยุดเหยะก่อควรจากถูกยุ่ยแยก่ก่อควรจากกิเลสอยู่เสมอไม่มีเวลายับยัง้งตั้งตัวได้เลยนี่เป็นนิสัยของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีกิเลสเป็นเป็นนายต้องเป็นอย่างนั้นท่นี้เราจะเอาธรรมค่อยบังคับจิตขับไล่กิเลสผู้เคยบังคับบัญชาจิตใจแต่ก่อนนั้นให้สลายตัวลงไป เบื้องต้นต้องอาศัยความสงบซะก่อนคือทำความสงบด้วยบทภาวนาจดยจอ่อต่อเนื่องกันเมื่อความมีสติอยู่กับบทธรรมนั้นๆอย่าให้เผลออย่าคิดอยาคาดอยาหมายอดีตอนาคตผลที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิจะเป็นประเภทใดบ้างอย่าไปคาดเปหมายให้คาดเคลื่อนจาก งานที่เรากำลังทำในปัจจุบันคือคำบริกรรมภาวนาผู้กำหนดอนาปานาัสาติกก็ให้รู้แต่ลมเข้าลมออกสูงต่ำข่างไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้ความสัมผัสของลมเข้าลมออกรู้กันอยู่ทุกระยะระยะจะสูงจะต่ำจะที่ไหนอย่าระเอียดให้กำหนดรู้ตามนั้นเท่านั้นเราอย่าไปคาดไปหมาไปตั้งลมบ่อยๆไม่ถูกบางทีก็ทีแรกก็ตั้งลม เช่นตั้งที่ดั้งจมูกเพราะลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนตั้งที่นั่นคัดตั้งที่นั่นพอกําหนดเพลินไปเพลินไปเหมือนว่าดั้งจมูกนี้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโน้นก็มีบางทีเหมือนดั้งจมูกนี้ต่ําลงไปมาตั้งใหม่กําหนดใหม่อย่างนี้เหมือนเขาปลูกต้นไม้พอจะขึ้นบ้างแล้วก็ไปขุดมาปลูกใหม่แล้วก็ขุดมาปลูกใหม่ย้ายอยู่ๆไม่หยุดไม่ถอยสุดท้ายต้นไม้ก็ตายไม่เกิดผลไปรยชนตายเลย ปลูกวิธีตรงไหนต้นได้ตั้งได้ปลูกลงแล้วด้วยความชอบด้วยความถูกต้องแล้วพยายามรดน้ํารวนดินอยู่ในจุดนั้นในต้นไม้ต้นนั้นอย่าโยกอย่าย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเมื่อได้รับอาหารหรือปุ๋ยเป็นที่เหมาะสมกับมันแล้วมันก็จเจริญงอกงามขึ้นมาดอกผลก็เป็นขึ้นมาแบบทำตาๆกันเมื่อถึงการที่ควรจะเป็นดอกเป็นผลแล้วก็ปิดไม่อยู่นิจิตก็เหมือนกันการตั้งลมจะตั้งสูงตั้งต่ํา เราตั้งที่ตรงไหนแล้วก็ให้จับที่ตรงนั้นไว้แล้วกําหนดลมให้รู้เข้ารู้ออกอยู่ทุกระยะระยะจะสูงไปก็าตามเทคนิคนับแต่บัดนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ของกิจต่างหามันจะทําให้เผลอตัวจากวงปัจจุบันคืองานที่กําลังทําอยู่นั้นได้แก่การกําหดนดอนาปาหะติที่ดั้งจมูกบางทีทําให้จมูกสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปบางทีทําให้ต่ําลงไปต่ำงไปบางทีทําให้ เป็นความรู้สึกอันหนึ่งเหมือนกับช่องจมูกนี่มันกว้างออกไปเวิง้งว้างไปหมดอันนั้นก็มียาไปสนใจให้กําหนดดูลมจับเอาที่ลมนั้นอันนั้นเป็นอาการหนึ่งที่จะหลอกเราให้เผลหลักไปเท่านั้นให้พักกันจาเอาไว้จับลมไม่หยุดไม่ถอยจริงเหล่านั้นมันก็ค่อยคลายตัวของมันไปเองค่อยเสื่อมไปคลายไปคลา ย, ลายไปจางไปจางไปสุดท้ายก็เหลือแต่ลม เหลือแต่ลมกาหนดตลมจนละเอียดเข้าไปเขไปเอาลมจะหมดจริงๆก็ให้หมดยาไปตกใจอย่าไปกลัวตายเมื่อจิตยังครองร่างอยู่ดีแล้วลมจะหมดไปมันก็ไม่ตายกําหนดเมื่อลมหมดไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือความรู้มันเหลืออยู่นั่นแหละทีน่นี่เมื่อจิตลมละเอียดลงไปก็แสดงว่าจิตละเอียดลมหมดไปในความรู้สึกจริงๆมันไม่ได้ถึงจะหมดไปก็ตามให้ทราบว่า ล, ลมที่กำหนดนั้นหมดไปแต่ความรู้ที่เป็นตัวการสำคัญที่เราต้องการอยู่แล้วนั้นมีอยู่กับตัวของเราให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดเมื่อพอแก่การแล้วมันก็ถอยตัวออกมาขยับตัวมานิดลมก็มีขึ้นมานี่คือหลักภาวนาเบื้องตน้นกำหนดอย่างนี้ทำให้สงบ เมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตก็อิ่มตัวเหมือนเรารับทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราจะออกพิจิติพิจารณาเรื่องธาตขันธน์อายตนะไม่ว่าภายนอกภายในพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังเอินจางทุกขังตาหรือเป็นผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วทั้งนั้นอสุภะอสุพังมันก็อสุภะจริงๆมันมีที่ไหนเป็นที่สะอาดสะอ้านภายในจิต ร่างกายของเหล่านี้เต็มไปด้วยประจวปฏะจุะูณโศโกโขกทั้งนั้นผิวบางๆของหนังหุ้มห่อไว้จึงหน้าว่าหน้าดูอืชมกันเสกสรรกันว่าน่าดูหน้าชมมากสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจความจริงจะรักหนังหนังรองเท้าเจ้าของก็มีไม่เห็นหน้ารักหนังนั้นมันน่ารักที่ตรงไหนหนังเขากับหนังเราก็เหมือนผิดกันอะไรหน้ารักที่ตรงไห น, หน เ, ห น, เ น, ห น, ห น, นี่ยมีพิจารณาเยอะแยะ พิจารณาเข้าไปข้างในก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดหน้าขยะขยะแยงแล้วน่ารักให่ชอบใจที่ไหนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆ ส, กสกากๆแยกแยะออกจนกระทั่งถึงมันแตกกระจายหรือกำหนดให้ตายมันเน่าพองเปื่อยลงไปน้ำเน่าน้ำห น, ำนองไหลเกลื่อนไปตามพื้นประตผีจิตใจมันได้ดูเห็นโทษความเป็นของร่างกาย ถ้าเจนนี่ก็เป็นอุบายแห่งความสงบของราคะได้เป็นอย่างดีการพิจารณาต้องพิจารณาตามๆซับซเป็นอาจินของการพิจารณาเป็นพื้นเป็นฐานอยู่เสมอเป็นงานประจําตนในเมื่อโอกาสที่จะควรพิจารณาออกจากความสงบแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นจากนั้นก็พิจารณาควรจะให้เป็นธาตุแยกกระจกระจายไปเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟก็แยกออกไป แล้วสุดท้ายมันก็มีเท่านั้นมีแต่ดินแต่น้ําแต่ลมแต่ไฟกระจายลงไปแล้วก็เป็นดินน้ําลมไฟไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ในความเป็นจัดเป็นบุคคลดังที่เสกสรรปั้นดอกัร้าสวยว่างามว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าุาคคลนี้เลยนี่นี่นพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่คือธรรมเป็นความจริงอย่างนี้ค้านไม่ได้แต่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ปลอมแปลงขึ้นมาใหม่ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสิ่งที่น่ารักให่ชอบใจ เป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินไหมเพราะฉะนั้นมันจริงได้ทั้งสองแง่ในที่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทําให้เศร้าโศกเสียใจไปได้เพราะสิ่งที่น่าเพลิดเพลินนี่พักพลาดหลับไปหรืออิปริตผิดไปจากความต้องการอันเดิมเปลีปย่ยนแปลงไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งหมดเราพิจารณาอย่างนี้ ให้สลับกันไปเวลามีโอกาสให้พิจารณาการถอดถอนกิเลสทุกๆุกประเภทให้พึงทราบว่าถอดถอนด้วยปัญญานี่เท่านั้นการทําความสงบนั่นเป็นการตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเปลือใจก็ได้สงบสบายแล้วมีกําลังบังชาที่จะออกพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อได้ก้าออกทางด้านปัญญาพินิพิจารณา อาการต่างๆของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วเราจะเห็นความดุดรอยของกิเลสเพราะอานาจของปัญญาไปโดยลำดับบนั่นแหละที่นี่ถึงจะได้เพลินนี่ฝากพูดถึงว่าค้าก็้าก็ได้กำไรกไปเดิมลำดับพื้นฐานต้นทุนของเราก็คือสมาธิได้แก่ความสงบกำไรก็คือเรื่องของปัญญาเป็นขั้นๆตมตอนค่ากิเล ขาดลงไปโดยลําดับดารู้ประจักษ์ชัดกับใจไม่เหมือนสมาธิสมาธิเป็นตะวพิมารวมกิเลสกัความพุ่งสร้างของใจที่จะเป็นไปเพื่อกิเลสนั้นตุรวมตัวเข้ามาไม่ไปสั่งสมกิเลสเพราะความพุ่งสร้างนั้นพอกิเลสง ส, สงบลงไปได้กําลังแล้วพาพินิจพิจารณาแยกแยะแย ก, แยกตรงไหนแยะตรงไหนกิจให้โจทย์ให้จอ่อต่อเนื่องไปโดยลําดับ จนเกิดความสะโดสังเวชน้ําตาร่วงนั่นนี่นาให้เห็นโทษจริงๆมันเห็นจริงๆเป็นจริงๆเราเพื่อพิจารณามาแล้วจนถึงกับขึ้นอุทานโอ้โหอย่างนี้เหรือเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรือเป็นอย่างนี้เถอเหรือเห็นกายอย่างนี้แตะกอนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดทําไมจึงไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอเห็นกายเห็นความปฏิคูณตามความจริงของมันซึ่งมีอยู่ในกายเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรือวันนี้เหรอ กำหนดดูเทารายิ่งเกิดความสลดสังเวชไปโดยลําดับลําดับลำดั บ, ด บ, ดบ ท, ท, ทั้งๆที่ตอนพิจารณากายอย่างเพลินๆอยู่นั่นน่นะ<ม>เหมือนว่ากายไม่มีมันความรู้สึกมันไปอยู่กับอาการที่เราพิจานานั้นแม้แต่นั้นน้ําตา ม, มันกระล่วงของมันความภาษาขงมันเราค่ะไม่สนใจกับมันมีแต่พิจารณาจี้เข้าไปจี้เข้าไปจนทะลุ ป, ปุกโขงโล่งไปหมดเล<ม><ม>นี่เป็นอุบายของทติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ การพิจารณาด้านปัญญาด้านนี้รุนแรงไปโดยลาดับลาดับแต่ขั้นราคะลงมานี้เป็นขั้นของปัญญาที่รุนแรงมากแต่มันรุนแรงด้วยความอาฐานนีย่ยิงเรียกว่ามันผ่าผลความอาฐานมากทีเดียวพอผ่านขัน้นร่างกายเป็นรูปธรรมนี้ไปแล้วันก็เหมือนกับน้ำซับน้ำสึนไร้ดินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่หยุด มันเป็นปัญญาขั้นละเอียดเพราะกิเลสมันละเอียดเข้าไปมีแตนาน ม, มาทำเวทน า, นาทั้งาสังขานทังยานทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยมันมีอยู่ภายในร่างกายและเข้าไปสู่จิตใจมันแยกมันแยะไปทั้งภายนอกคือร่างกายทั้งภายในคือจิตใจเวทนาอยู่ได้ทั้งสองประเภทพิจานาแยกแยะส่วนมากก็พิจารณาเวทนาส่วนร่างกายเนี่ยมันก็เข้าไปถึงตัวใจเองเพราะมันออกมาจากใจนี่ จะไปไหนพ้นเงินละเอียดแล้วออเข้าไปแล้วอะไรมันก็เป็นทำรรไปหมดเน อ, อร่างกายก็สักแต่ว่าเท่านั้น เ, เ, เมื่อเราไม่เสีย ส, สันต์บั้นดอเพราะอํานาจของกิเลสเนื่องจากทำรรปราบลงสู่ความจริงแล้วถ้าพูดถึงอสุพะมันก็อสุพะพูดถึงเรื่องเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุโดยตรงอยู่แล้วนั่นคือทำปราบ ควมเสกสรรปัญญานี่ให้ลงถึงสภาพเดิมสภาพแห่งความจริงของตนถึงสักแต่ว่าศักแต่ว่าพอไปถึงสุขทุกเวทนาเฉยๆก็ตามมันก็ศักแต่ว่าอันเดียวกันทาตลงไปความคิดความปรุงกหาเราหาเขาที่ไหนมีนี่แต่ความกระเพื่อมของจิตยักยับยบ ย, บ ย, บ ย, บยบัออกไปเป็นเรื่องความคิดความปรุงสัญญาเาคือความคิดซื่อออกไปจากจิตว่าธาตออกไปเนี่ย วิญญาณเราก็ทราบกันอยู่แล้ว่เตียงรับทราบถึงนั้นทีนี้แล้วดับไปดับไปความเกิดดับนั่นหรือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นตัวนิจจังทุกของอาตาทั้งห้านี้เป็นเหมือนกันรูปก็เหมือนกันเมทาณาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และประเภทเป็นตัวนิจจังทุกของอาตามันเป็นตัวเราตัวของเราที่ตรงไหนพี่นาหาความจริงจริมันไม่มีมันศักแต่ว่าสศักดิ์สวานี้เลยคือความจริง ย่นเข้าไปย่นเข้าไปที่เดชทอนหาอาสวะที่มันเคยเกาะเคยเกี่ยวอยู่สินกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเคยหลอกลวงระมานานมัญหาที่อยู่ไม่ได้เพราะถูกตัดถูกฟันหันแดกเข้าไปด้วยอํานาจของสติปัญญามืนกับไหลตัวเข้าไปร่วมตัวเข้าไปเข้าไปถึงจิตก็ไล่ที่จิตนั้นอีกให้แหลกละเอียดไปตามๆกันขคืนจวกรกิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดมันก็คือตัวนี้ต่างทุกขลักษณะเป็นตัวสมมุติเหมือนกันกับที่เดชประเภททั่วไปนี่ ระยาขนาดไหนก็คือตัวสมมูล ต, ตัวทั้งหมดก็ต้องมีอนิจจังทุกขังตาเต็มตัวเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้วาดฟันพันแหลเข้าไปภายในจิตแต่กระจายหมดนั้นแล้วนั่นแหละเท <c oughs> นีิตัวยืนยงว่าเกิดแจ็เจ็บตายก็คือเชื้อของวิชาเป็นต้นเหตุอวิชานี้ได้สิ้นจุดลงไปแล้วจากจิตดวงนั้น น, น, น, น, น, นั่นแหละจิตดวงนั้นแหละเป็นธรรมทั้งดวงที่นั่นแหะที่เราคน้นค้นหาความจริงค้นให้เจอ เรื่องเกิดแก่เจะตายจะไม่เจอที่ไหนจะเจอที่จิตเป็นตัวการพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายที่จิตนั้นมีอะไรก็คือมีอวิชชาปยายัญญาสร้างข้าลา่นั่นน่ะตัวก่อต่อขแขนไปโดยลําดับฟาดฟันหแหวนลงไปถึงรากแก้วคือวิชาถอนทื้นขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหะสงครามชนะอย่างสุดยอด ตั้งแต่บัดนั้นแล้วไม่มีกิเลสตัวใดที่กระเด็นขึ้นมาซึ่งาจากที่หลบซ่อนเพราะสติปัญญารู้ไม่เท่าทันแล้วขึ้นมาเป็นข้าศิกต่อเราอีกนั้นไม่มีเลยเมื่อเข้าถึงแต่กระจาภยภายจิตแล้วเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนั้นไปจะอยู่จะนั่งจะนอนจะเดินจะดูอะไรฟังอะไรก็ได้สะดวกสบายเพราะไม่มีนักโทษ คอยควบคุมจิตใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูด้วยอิสระด้วยความจริงฟังด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงด้วยความเป็นอิสระในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี่ผลแห่งการปฏิบัติจากธรรมคำพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาเหมาะสมกับคําว่ามัตถิม า, มมาคือเป็นปัจจุบันทันสมัยกับยิเลศ ทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาขอให้นำมาพิสปฏิบัติความที่ได้ยินได้ฟังอย่างได้ฟังวันนี้จะปรากฏภายจิตใจของนักปฏิบัติดูไม่ต้องสงสัยถ้าเอาจริงเอาจังมันไม่ตายละเรื่องประกอบความเพียรฆ่ากิเลสเป็นแต่เพียงความลำบากลำบุนมากน้อยเท่านั้นแต่เรื่องตายจริงๆนั้นคือกิเลสมันตายเรานั่นไม่ตายละตายด้วยความเพียร กิเลสมันเป็นผู้จะตายแต่เรามันกลัวตายซะก่อนหน่ที่มันถึงไม่สามารถจะฟาดปันทันกิเลสพอให้ถลอกปอกเปิบไปบ้างหรือให้ถึงขั้นกิเลสตายเพราะฉะนั้นจริงเอาให้ถึงขั้นกิเลสตายอย่าเอาถึงขั้นกิเลสฉลอกปอกเปิบเฉยใช่ไหมไหนเอาให้กิเลสตายเมื่อกิเลสตายแล้วไม่มีละในโลกอันนี้ว่าอันใดที่จะมาเป็นค่าศึกต่อจิตใจมีกิเลสเท่านั้นเป็นค่าศิกของใจรู้ได้ชัดเมื่อกิเลสดับ พบดับชาติลงไปจนหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วไม่มีอะไรเข้ามายุ่เหย่ก่อกวนให้จิตได้รับความลําบากอย่างนั้นลํำความลําบากอย่างนี้อีกต่อไปจึงเห็นได้ชัดว่าโอ้มันมีกิเลสที่เท่านั้นสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากกิเลสอยู่ในหัวใจตัวเองนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเมือ่อกิเลสจิ้นลงไปแล้วเป็นอันมหาสงสัย ดูก็อยู่ตายก็ตายไม่มีปัญหาทั้งเรื่องถาตเรื่องขันเพราะเลยพิจรารณารอบข้อไปหมดแล้วตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือหรอมันขอให้ทุกท่านนำไปพื้นนิพิจน า, าตั้งศรัทธาความเพียรความมุ่งมั่นตอกใชชนะในการปราบปรามกิเลสให้ถึงใจความเพียรจะถึงใจสติปัญญาไม่มีก็จะเป็นขึ้นมาด้วยอานาจแห่ง ความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญมากเป็นแม่เหล็ก อ, อันสำคัญดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความเพียรทุกประเภทสติปัญญาก็เป็นมาเป็นมาเพราะความมุ่งมั่นอย่าไปลังเลสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพาน <c oughs> ให้เสียเวล่าเวลาและตัดทอนกําลังวังชาของตนทุกด้านอันเป็นทางความเพียรให้หมดลงไปหมดลงไปผลสุดท้ายล้มเหลวไปไม่ได้ไง มันเกิดประโยชน์อะไรความไปไม่ได้ถอยหลังเสียเกิดประโยชน์หรือการถอยหลังให้ชิดอย่างนี้เสมออุบาสติปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสที่มันหลอกเราอยู่ทุกวันนี้ฟิตให้ทันกันจึงชื่อว่าผู้มหาความเฉลียวฉลาดจากหลักธรรมในการลบค่าสิทธิให้เราเป็นผู้หนึ่งในการลบค่าสิทธิ์กิเลสตายไปจากจิตใจเราใ ห, ให้เราเป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องกิเลสมันตาย เรื่องพบเรื่องขาดเคยเกิดแจกเกิดตายมา ก, กี่กับกี่การ น, นับไม่ถ้วนก็ให้เราเป็นผู้หนึ่งรู้ในวงปัจจุบันของจิตขาดสะบ้านจากกันแล้วกับพบกอบชาติปแบบนี้ไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรกันอีกแล้วเ อ, อเพราะจิตนี้่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วยิ่ดเอื้องไม่ถึงไม่มียิ่งเดื้ตัวใดแล้วถ้าให้มันเห็นในหัวใจของนักปฏิบัติอย่าไปคาดไปคิดทางไหนให้เสียเวลาการแสดงทํามของสมควรคุณดิการทำปัญญาอธิบาย